จเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะบรรยายในหลักสูต ร, รของนักธรรมชั้นตรีเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรยียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะพูดในหมวดของคีิ์ปฏิบัติคือข้อปฏิบัติสาหรับเครือขัดว่าวยเรื่องศีลห้าประการฉะนั้น เมื่อมาเมื่อพูดถึงศีลห้าประการทุกคนที่ได้ยินได้ฟังก็คงจะเข้าใจได้ดีว่าศีลห้ามีอะไรบ้างเพราะถือว่าเป็นมิจศีลเป็นศีลที่เราทุกคนจะต้องมีประจําจิตประจําใจข้อที่หนึ่งก็คือปานาติปาตาเวรมณีเว้นจากการทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปข้อที่สองอธินาทานาเวรมณีเว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของวิได้ให้ ด้วยอาการแห่งการลักขโมยข้อที่สกาเมสุมิช า, าราเวรมณีเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมข้อที่สมุสาวาธาเวรมณีเว้นจากการพูดคําเท็จข้อที่หสุราเมรยามัชชะปมาทัฏฐานาเวรมณีเว้นจากการดื่มน้มาําเหลวคือสุราและเมรยัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในศีลห้าประการนี้เป็นข้อที่ครรภัสควรรักษาควรปฏิบัติอยู่เป็นนิดเพราะว่าถ้าหากว่าเราทุกคนไม่มีศีลหา้าสังคมก็จะเดือดร้อนศีลห้านี่ถือว่าเป็นศีลเพื่ อ, อเป็นกฎหมายสาหรับสังคมถ้าหากสังคมเรามีศีลหา้าสังคมก็จะมีปกติสุข สังคมของเราก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตรงกันข้ามถ้าหากว่าสังคมเราไม่มีศีลห้าแน่นอนที่สุดเราก็จะอยู่กันอย่างสับสนอนละมานมีการข่ากันมีการลักขโมยกันมีการไม่เคารพสิทธิมีการฉุดขฆาตนาจาันข่มขืนมีการพูดโกหกหลอกลวงพูดจาให้เขาต้องเสื่อมเสียประโยชน์ หรือว่ามีการดื่ม น, น้มาําเหาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทซึ่งก็อาจจะทําลายศีลได้ทุกๆข้อฉะนั้นเราก็มาทําความเข้าใจในข้อแรกว่าเรื่องศีลซะก่อนเพื่อเราทุกคนนี่มักจะพูดว่าคนนี้มีศีลมีธรรมคนนี้ไม่มีศีลไม่มีธรรมศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจาให้เรียบร้อยนะ คนไหนมีศีลคนนั้นมีกายเรียบร้อยคนนั้นมีวาจาเรียบร้อยศีลเป็นเครื่องป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจานี่ยที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทั้งคนไม่มีศีลแน่นอนที่สุดทุจริตก็จะมีมากทางกายทางวาจาฉะนั้นคนมีศีลห้าก็คือเท่ากับว่าคนที่มีปกติทางกายทางวาจา ท่า น, นขอให้เราทุกคนมามีปกติอย่าให้ผิดปกติทางกายทางวาจาคนที่ผิดปกติทางกายทางวาจาก็เหมือนกับว่าเป็นคนไม่เต็มคนหรือเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์เป็นมนุษย์แต่เพียงกายแต่จิตใจหาได้เป็นมนุษย์หาได้เป็นผู้มีจิตใจสูงตามความหมายของคําว่ามนุษย์ไม่เพราะคําว่ามนุษย์ มันมาจากคําว่ามันละแต่ว่าใจบวกปุสยะแต่ว่าสูงสนทิศเข้าไปก็แปลว่ามนุษย์แต่ว่าผู้มีจิตใจสูงดั้นคนที่มีจิตใจสูงนี่แหละคือคนมีศีลมีธรรมหรือคนมีศีลห้าก็ถือว่าคนมีจิตใจสูงคนไหนรักษาได้ห้าข้อนี้ถือว่าประเสริฐสุดแล้วนะประเสริฐสุดแล้วคนมีศีลห้าก็ถือว่าเป็นธรรมที่ทําให้เกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตัดไปว่า คนผู้หญิงผู้ชายเมื่อตายไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกยากเหลือเกินถ้าจะเทียบง่ายๆก็คือร้อยละสองคนเมื่อตายไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยร้อยหนึ่งมีเพียงสองคนอีกเก้าสิบแปดคนนึงไปเกิดในอบายภูมิอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกอาจจะไปเกิดเป็นพวกเป็ดอสูรกายาจะไม่เกิดเป็นพวกนี้ได้แต่ถ้าหากว่า เรามีศีลมีธรรมกันมากเราก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์มากเกิดเป็นเทพพดามากเกิดเป็นพระพรหมากหรือจนกระทั่งที่สุดอาจจะหมดกิเลสตัณหาอ่าได้เป็นพระอาหารหันต์ก็ได้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมามีศีล น, นะจงมามีศีลกันอย่ากลัวศีลเลยนะคนมีศีล น, นี่แหละคือคนที่มีความหนักแน่นทางกายทางวาฏจารจนกระทั่งที่สุดก็คือหนักแน่นด้วยจิตใจเป็นคน ที่มีความละอายแก่จใจเป็นคนที่มีความเกรงกลัวคนที่มีความละอายแก่จใจมีความเกรงกลัตวต่อบาปต่อทุกข์ทรริต่ออาทยาต่างๆนั่นแหละเป็นเหตุที่จะทำให้ศีลเกิดขึ้นเป็นเหตุที่จะทำให้ศีลมีอยู่บริบูรณ์ทางกายทางวาจาแต่คนที่ไม่รู้จักละอายทั้งในที่รับในที่แจ้งไม่รู้จักเกรงกลัวต่อบาปทั้งในที่รับในที่แจ้งแน่นอนที่สุดศีกก็จะบกพร่องศีลก็จะด่งางจะพร้อยศีกก็จะขาด ว่าจะทําให้เรานั้นไม่มีศีลหรือว่ามีศีลไม่สมบูรณ์อันก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมารักษาความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ปกติของความเป็นคนกันเถิดเราก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความเจริญในข้อแรกที่บอกว่าปาณาติบาตคือเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือว่าทำสัตว์มีชีวิตให้ตกลุ่มไป ให้ความหมายข้อนี้กินความถึงว่าแม้จะไม่ฆ่าสัตว์ให้ตายแต่ว่าให้ทุกผลภาพกักขังสัตว์ทําให้เสื่อมเสียอิสรภาพพอรมานสัตว์ทำให้เขาต้องทุกผลภาพแข้งขาหักปีขาคูณนวกตาบอดเพชรขัดย่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จัดเข้าอนุโลมเข้าในปาณาติบาตอีกเช่นกันการจัดเข้าในข้อนี้ฉะนั้นเป้าหมายที่อ ทรงบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสินห้าในข้อแรกมุ่งหมายก็เพื่อจะปลูกฝังเมตตาจิตให้เกิดขึ้นในคนและสัตว์ทุกจาพวเป็นการให้เรานั้นเป็นคนดีนะคนเราเมื่อเป็นคนดีแน่นอนที่สุดทำอะไรมันก็ดีไปหมด เ, เมื่อเราดีแล้วก็พลอยให้สิ่งแวดล้อมกับ เ, เราก็พลอยดีไปด้วยไม่เลือกว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรวัดมหาธาตุของเรา สมัยหนึ่งเคยมีสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งซึ่งมีฉายาที่เขาเรียกว่าสมเด็จพระสังฆราชไก่เถือนาที่ได้นามเช่นนี้ก็เพราะว่าท่าน ม, มีเมตตาจิตสูงมากท่านสามารถจะเอาไก่ป่าให้เข้ามาอยู่คลุคลีกับท่านให้เข้ามาอยู่ในบ้านได้เพราะอํานาจเมตตาจิตฉะนั้นนี่เป็นเครื่องชี้เห็นว่าคนที่มีเมตตาจิตไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันไม่ทรมานไม่เอารัดเอาเปรียบกัน แน่นอนที่สุดพวกนั้นจะมีแต่ความสุขและจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีการอาฆาตบาดหมาง ก, กันไม่มีการอิจฉานุจยากันอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องอยู่กันเหมือนพวกร้องเดียวกันสิ่งมีชีวิตรักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทางนั้นฉะนั้นเราไม่ควรที่จะมาทำร้ายกันมาฆ่ามาแกงกันหรือมากักขังกันขอให้เราทราบไปเลยว่า พระพุทธองค์ได้จัดไว้ในจุลกรรมสูตรอุปริปันาตแห่งพระสุตตันตปิฎกว่าคนที่ชอบฆ่าสัตว์จะทําให้มีอายุสั้นคนที่ชอบเบียดเบียนสัตว์รังแกสัตว์ทรมานสัตว์กักขังสัตว์จะเป็นผู้มีโรคมากคนที่ไม่ฆ่าสัตว์จะทําให้มีอายุยืนคนที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่รังแกสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ไม่ขับขังสัตว์ก็จะทําให้ไม่มีโรคหรือว่ามีโรคน้อย ฉะนั้นเราทุกคนอย่าเบียดเบียนอย่าฆ่ากันเลยเราก็จะมีความสุขทั้งในหมู่มนุษย์และในหมู่สัตว์เดรัจฉานสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็รักลูกรักเมีย ร, รักผัวของมันคนเราก็เหมือนกันเราก็รักสามีรักภรรยารักลูกผัวตัวเมียของเราด้วยกันทางนั้นห่วงเห็นด้วยกันทางนั้นไม่อยากให้ใครมาฆ่าไม่อยากให้ใครมาพรากไม่อยากให้ใครมาทําลาย ฉะ น, นเมื่อใครมาพาคพ่อพลาดแม่ลูกก็เสียใจพ่อแม่ก็เสียใจใครมาภาคลูกลูกก็เสียใจพ่อแม่ก็เสียใจเดือดร้อนก็ทางนั้นไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์สัตว์ได้ ร, รับชานเหมือนกันเราไปภาคลูกมันมันก็เสียใจมันจะร้องแต่เราฟังภาษามันไม่ออกแต่อาการที่มันแสดงออกนั้นเรารู้ว่ามันอะไรอาวร์มากมีสัตว์อยู่อีกอย่างหนึ่งนีกว่าเขาเรียกว่านกขุนทองที่เราชอบเอามาเลี้ยงกันอ่ะะ ชอบเอามาเลี้ยงสอนให้มันพูดในสารพัดเขาบอกว่าคนโบราณนะอันนี้ก็คนจาจากคนโบราณเขาเล่าว่างคุนทองนี่เวลาใครไปรักเอาลูกมันมาเวลามันกลับมาไม่พบลูกเนี่ยมันจะบินขึ้นสูงลึบเลยแล้วก็ห่อปีกปล่อยตัวให้ทุ่มลงมากับพื้นดินให้ตายเลยเรียกว่าฆ่าตัวเองตายเพราะว่าเสีย อ, อกเสียใจมากที่ลูกต้อง พัดพากจากไปฉะนั้นจึงบินขึ้นไปสูงนิ็แล้วก็ห่อปีกปล่อยตัวลงมาใหา้ตัวเองนั้นพุ่มลงถูกต้นไม้หรือถูกลงกับพื้นแผ่นดินให้ตายไปเลยนี่แล้วสัตว์บางอย่างนี้มันห่วลูกเอาชีวิตเข้าแลกใครไปเอาลูกมนมาแล้วมันก็จะต่อสู้สุดชีวิตเลยบางครั้งพวกมนุษย์ก็ต้องตายก็มีไม่น้อยฉะนั้นการที่เราได้ไปรังแกพวกสัตว์เหล่านี้เราจะเห็นว่าพวกทรง พวกเลี้ยงสัตว์ก็ดีพวกค้าสัตว์ออกต่างประเทศก็ดีก็มักจะรับซื้อสัตว์มักจะไปพาพอ่อผากแม่ไปยิงมาหรือไปดักมาอะไรสารเพสารพัดอันนี้มันก็มีเวรมีกรรมมากนะเขามาพาพ่อไปจากเราเราก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเขามาพาแม่จากเราเราก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเขามาพาลูกจากเราเราก็เป็นทุกข์เดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงก็ต้องตามกัน หมดเงินหมดทองเสียท่าทายกันมาเป็นแสนเป็นล้านอันนี้ก็มีอยู่เยอะให้เราได้รู้ได้เห็นตางข่าวหนังสือพิมพ์ทางสถานีวิทยุทั้งในประเทศต่างประเทศออกเป็นทุกวี่ทุกวันฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นเวรเป็นกรรมนะทําให้เราจะต้องรับใช้กรรมกรรมไม่มีที่สิ้นสุดนะไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นจึงบอกขอให้เราทุกคนนั้นจงมามีเมตตาปรารถนาดีต่อกันคนที่มีเมตตาก็คือคนที่มีความรัก ต่อเพื่อนมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายถือว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนอร่วมชาติเดียวกันมีพระเจ้าแผ่นดินองเดียวกันมีศาสน า, เ, าเหมือนกันถึงแม้ว่าอาจจะต่างคนละศาสนาแต่เราก็ถือว่าอยู่ในประเทศเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นเราถือว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกกันเป็นมนุษย์ด้วยกันเราต้องรักกันไว้ถ้าเรารักกันไว้แน่นอนที่สุดสันติสุขสันติภาพ มความเป็นสมภาพเสรีภาพพา ร, รานดอนภาพก็จะเกิดขึ้นทั่วทุกย่อมย่าทั่วทุกภูมิภาคของโลกก็จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยสวนแห่งดอกไม้แต่ถ้าหากว่าเมตตาไม่เกิดขึ้นในจิตใจแน่นอนที่สุดโลกนี้ก็กลายเป็นทะเลทรายมีแต่ความแห้งแล้งมีแต่ความเดือดร้อนหิวกระหายมีการประหัดประหารมีการ เอารัดเอาเปรียดมีการคมเห็นรังแกกันอยู่ตลอดเวลาทุกลงหายใจเข้าออกความเป็นพี่เป็นน้องก็จะเลือนหายไปจากจิตใจฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมามีเมตตาต่อกันฉะนั้นที่เราแผ่เมตตากันอะหังสุขิโตโหมิขอให้กบเจ้าจงมีความสุขอขอให้ท่านจงมีความสุขอย่าได้มีเว้นแกกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียน แก่กันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเดินที่เราแผ่กันอย่างนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างหนึ่งและเป็นการเอื้ออํานวยความสุขให้เกิดขึ้นกับคนทุกชาติทุกชั้นวรรณะทุกประเทศเชื้อชาติภาษาแม้กระทั่ง สัตว์ในกระฉานทุกประเภททุกจำพวกสัตว์บกสัตว์น้าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้มีความสุขเมื่อเราปลูกเมตตาเกิดขึ้นในใจอยู่อย่างนี้เป็นนิดเป็นประจําอานิสงส์ก็จะถึงเกิดมีแก่เราเป็นอันหนึ่งเบการเป็นต้นว่าหนึ่งนับก็เป็นสุขสองตื่นก็เป็นสุขสามนอนไม่ฟันไรสี่เทวดาก็ชมพรมก็สรรเสริญห้าพวกศาสตรายพิษธรรมอันตรายอะไรไม่ได้ อกทําให้เรามีดวงหน้าสดใส7พวกพูกฟี่ปีาศาจก็ทําให้เกิดการชื่นชอบเกิดการนิยมชมเชยแล้วก็เมื่อใกล้จะตายก็ไม่ทุรนทุรายเมื่อตายไปแล้วก็เข้าสู่พรหมโลกที่มันเป็นเรื่องของความสุขทางนั้นเลยนะเป็นความสุขทางนั้นเลยฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมีเมตตาปรารถนาดีต่อกัน นั้นในข้อที่สองเรื่องอธินาทานคือเว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งการลักขโมยคือคนเราทุกคนนั้นต่างก็เลี้ยงชีพในทางที่ชอบเว้นจากการเบียดเบียนกันเว้นจากการลักของกันและกันฉะนั้นไอ้ทรัพย์สมบัติที่เรามีในวนันนี้ถ้าหากจะมีผู้หนึ่งผู้ใดมาถือเอาไปโดยอาการแห่งลักขโมย หรือมาถือเอาไปโดยอาการแห่งตูช่อโกงล่นค่าเหยียดบังเอาไปแล้วถือว่าผู้นั้น เ, เลี้ยงชีพหรือดําเนินชีวิตในทางที่ผิดเีมกว่าเป็นวิ ช, ชาชีพนะเป็นการสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้อื่นก็เท่ากับว่าเป็นการสร้างรอยร้าวให้เกิดขึ้นอาจจะมีการ อขัดกันทะเลาะเบาแว่งกันจะต้องมีการจับติดคุกติดตารางสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้เกิดขึ้นกับตัวเองให้เกิดขึ้นกับพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเนี่ยจนกระทั่งที่สุดต้องเดือดร้อนถึงสังคมประเทศชาติจะต้องเอาทรัพย์อีกส่วนหนึ่งมาเลี้ยงบำรงุงบำเรอพวกที่อต้องอผู้ต้องขังหรือต้องโทษต่างๆนาะนาะอันนี้เนี่ยฉะนั้นถ้าหากว่าเราทุกคนเว้นอ ในศีลข้อที่สองก็คือไม่ไ ม, ไม่ไม่ลักขโมยดําเนินชีวิตในทางที่สำ ม, มาชีพเพือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบในทางที่สุจริตแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความเจริญที่พระพุทธองค์ได้บรรัญญัติศี่ข้อนี้ก็เพื่อหวังให้เรานั้นเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกที่ควรเว้นจากการเหยียดเบียนกันเว้นจากการถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยอาการลักขโมยอและยิ่งนั้นเป็นการ ฝ่ศาฝืนความรู้สึกหรือว่าเป็นการผิดกฎหมายของบ้านเมืองเป็นเวรเป็นกรรมเป็นบาปไม่ดีนะไม่ดีขอให้เรานึกว่าเราลักของเขาก็คือเราก็ลักของเราเราไปตูช่อโกงเขาเราก็ตูดช่อโกงเราเราไปจี้ต้นเขาโคตจี้ต้นของของเราสักวันหนึ่งเขาก็ต้องมาเอาคืนไปฉะนั้นเราเกิดมาก็ ธรรมชาติสร้างให้เรามีเหมือนกันหมดแล้วมีมือมีเท้ามีต า, าหูจมกูกเว้ในดกายใจมีมันสมองเราก็จะไปกลัวอะไรทรัพย์ในดินสินในน้ําเราขยันก็หาได้เราขยันหาได้พระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าอุทปาตาวินเเตทนังคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้วิริเยนทุกขะมัดเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร ถ้าเรามีความขยันมีความบักบันไอ้ทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราเป็นคนเกียดคร้านไม่เอางานหนักไม่เอาเบาไม่สู้เป็นคนเลือกงานเป็นคนที่โบราณเขาเรียกว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟออย่างนี้แล้วก็ทุกข์ร้ายยากจนคนแขนก็มีทางที่จะดําเนินชีวิตในทางที่ทุจริตวิ ช, ชาชีพอาจจะเป็นภยัยเป็นพิษต่อสังคมอาจจะถูก เขายิงตายกลางถนนก็ได้อาจจะถูกเขาจับติดคุกติดตารางเลื้อเนื้อร้อนใจขั้นไปทั่วหมดเลยแต่ั้าสิ่งเหล่านี้แหละเราควรจะเว้นเราควรจะหลีกเลี่ยงนะเราควรจะหลีกเลี่ยงให้เรานึกดูกสิว่าถ้าเขามารักของรักของเราเราก็เสียใจเราก็เสียดายด้วยเพราะของบางอย่างกว่าเราจะได้มานั้นแหมมันยากลำบากเหลือเกินนะมันยากลําบากมากดังนั้นเราจะต้องมาเอาไปอีกนี่แหมมันน่าเสียดาย อันนี้เมื่อประมาณสักสามปีแล้วมามีที่วัดหมหาธาตุมีการซ่อมคณะนะทราบว่าเหมือนว่าจะซ่อมที่คณะหกก็มีในช่างมาทำงานซ่อมก็โปรกเป็นสังขสีตีเป็นเป็นโรงล้อมเล็กๆอยู่ชายชายกุติก็ปรากฏว่าแกก็ถอดสร้อยคอทองคำไว้สองบาทแขวนไว้ภายในห้อง ก่อปรางกดไคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นเข้าก็เลยไปเอาเอ า, เอาขอยยืมเอาไปใส่สิว่างั้นเถอะเมื่อแกกลับมาไม่เห็นถามดูคนงานด้วยกันไม่ทราบแกเสียใจมากแกร้องให้เลยหยุดทํางานทันทีแกบอกว่าแกน่ะทำอาชีพเนี่ยไม่เคยหลอกไม่เคยคดโกงใครไม่เคยหลอกลวงใครไม่เคยลักขโมยใครอุตสาห์ทำด้วยสุจริตเก็บเงินเก็บหอมรอมดี ก, กว่าจะมาทาทองในสองบาททิงไหนมันก็ยากเย็นเหลือเกิน นายทำไมจะต้องมาลักของเขามาเบียดเบียนของเขาแกเสียใจเห็นแล้วก็น่าสงสารแต่นั่นแหละท่านผู้ฟังทั้งหลายคนเรานัน่นมันมีหลายระดับนะมันมีหลายระดับระดับดีก็มีระดับกลางก็มีดีบ้างชั่วบ้างไอ้ที่ชั่วเลยก็มีนะไอ้คอยที่จะฉวยโอกาสชุกมือเปิดคอยสร้างความสุขบนกองทุกข์ของผู้อื่นอย่างนี้ก็มีมากฉะนั้นอันนี้แหละ เราทุกคนควรจะคิดไตรตรองรู้จักยับยั้งชั่งใจว่าควรแก่ฐานะของเราไหมเราเกิดมนุษย์นี่ก็บุญมากแล้วเราทําบุญสร้างกุศลไว้นะนจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์การที่เราไปทําอย่างนี้ก็คือทําลายความเป็นมนุษย์ให้หมดไปโอกาสข้างหน้าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันก็คงใจยะอาจจะไปเกิดไหมอม า, ายาภูมิเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายมันไม่ดีเลยฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นก็จงมา มีสีลในข้อที่สองก็คือเว้นถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ถ้าเราจะชอบของอะไรเราก็ขอเขาเขาให้ก็ยกมือไหว้ขอบคุณขอบใจเขาเขาไม่ให้เราก็ไม่ว่าอะไรนะเราก็หาเอาบ้างหาเอาเองบ้างพยายามสร้างึ้นมันได้ทางนั้นนะเรามีมือมีเท้าโดยกันไม่ต้องกลัวเขาทำได้เราก็ทำได้มันอยู่ตรงนี้ฉะนั้น เมื่อเราทําอย่างนี้แน่นอนที่สุดเวรกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็ภัยก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยกรรมทั้งสองฝ่ายมาในข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจาราเวรามาณีเว้นจากการประพฤติผิดในกา ร, รมคาว่าการรมในที่นี้หมายถึงว่าการมทั้งหลายกาเมสุนี้หมายถึงว่าการมทั้งหลายกามทั้งหลายในที่นี้หมายถึงวัตถุการมก็คือรูปเสียงกลิ่นรสนะก็คือรูปเสียงกลิ่นรส รูปเสียงกลิ่ น, นปรสผลประภการสัมผัสถูกต้องใจนะึกคิดต่างๆนี่ถือว่าเป็นการทางนั้นเลยแต่ว่าเรามาเข้าใจกันว่าการคือหมายถึงว่าปราพฤติอย่างผัวอย่างเมียกันอันนั้นมันก็ถูกแต่ว่ามันแคบไปคําว่าการในที่นี้หมายถึงว่าคนที่เติดในรปูปติดในเสียงติดในกลิ่นติดในรสติดในการสัมผัสฉะนั้นเราจะต้องสัมรวมตาหูจมูกเล้นกายใจ เพื่อไม่ให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปผู้ฟังเสียงจงหมกมหลมขื่นลิ้นลิ้นลดกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆเมื่อเราสำรวมระวังอย่างนี้แน่นอนที่สุดสี่ข้อสามก็จะไม่ผิดไม่พลาดนะไม่ผิดไม่พลาดโดยที่เราเห็นลูกเมียคนอื่นนั้นเหมือนกับพ่อกับแม่ของเราเมื่อเราเห็นลูกเมียคนอื่นเหมือนกับพ่อกับแม่ของเราหรือให้เรามองเห็นลูกเมียคนอื่นเหมือนกับเป็นก้อนดินหรือเป็นกระดาษ เราเห็นอย่างนี้จะได้ชื่อว่าเรามีจิตใจหนักแน่นมีจิตใจมัน่นคงและเห็นถูกประพฤ่งถูกปฏิบัติถูกต้องตามทํานองครองธรรมที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติเสียงข้อนี้ก็เพื่อจะป้องกันความแตกร้าในหมู่มนุษย์นะที่จะที่ในหมู่มนุษย์ที่เราเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันชายกับหญิงไม่ได้เป็นญาติกันก็ ยังมีความรับใครซึ่งกันและกันด้วยอำนาจปริพัทธในทางการมได้ฉะนั้นที่บัญญัติทนี้ก็ป้องกันความแตกพราวที่จะเกิดขึ้นในระหว่างพวกพ้องบริวารในระหว่างมู่มนุษย์ด้วยกันฉะนั้นขอให้เราทุกคนต้องสำรวมระวังมากคนติดรูปเกินไปก็เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดทำในทุจริตได้ติดเสียงก็ให้ทาในทุจริตได้ติดป็นติดนุษติดสัมผัสก็เหมือนกันถึงแม้ว่า เราจาะไม่ทุจริตด้วยการจุดฆ่าอนาจารผิดรูปผิดเมียแต่เราก็อาจจะต้องเสียทรัพย์เอาไปบำรุงบำเลอนะต้องเสียทรัพย์ออกไปบำรงบำเลอเมื่อทรัพย์หมดเราก็อาจจะก่อการทุจริตจี้ป้นฆ่าลักเขาเอามาไปบำรุงบำเลออีกเหมือนกันอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่อถอกทางนั้นดังนั้นขอให้เราทุกคนจงสำรวมระวังในกามที่บอกว่ากามาสามังวรให้เรามีสติสำรวมระว้อยา่าเผลอไผลเมื่อตาเห็นรูป ก็ให้รู้จักว่าโรคก็สัต์แต่ว่าโรคม่จากสัต์บุคคลตัวตเนเราเขาได้ยินเสียงก็นนกทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าสัต์แต่เสียงสักว์แต่เสียงไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตเนเราเขาเกิดขึ้นต่างยูดับไปก็จะทําให้ใจของเรานั้นเกิดความสงบได้ไม่เกิดปริพัทน์ไม่เกิดกระสันในโลกเสียงเป็นนกอันนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญมาในข้อที่สี่ที่บอกว่ามุสาวาทาเว ร, รมณี มุสาวาทาเวแล้วมันเอก็คือเว้นจากการพูดเท็จคําว่าเว้นจากการพูดเท็จในที่นี้ก็ยังแยกออกไปอีกก็ถือว่าเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีเวรมีภัยเก่กันในกันทางนั้นฉังนั้นคนเราทุกคนถ้าเกิดมามีการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเราก็จะไม่ได้สาระไม่ได้ประโยชน์อะไรแก่กันะกันเลย ให้สาระที่จะได้จากคำพูดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองแก่สังคมประเทศชาติหรือในการเรียกขานวันใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นดังนั้นเราอย่ามาหลอกลวงให้ให้ต้องเสียประโยชน์กันเลยเราจะมาด่ามาว่าอาหรือมาพูดส่อเสียดยุแยงแตะแคงแย่อิฉานเยายกันให้ต้องเดือดเนื้อร้อนใจให้ต้องมีการทะเลาะวิวาท ด, ด้วยเหตุอนันใด เพราะสิ่งเหล่านี้ทําไปแล้วก็เกิดทุกข์ร่วยกันทั้งสองฝ่ายฉะนั้นเราจงมามีความจริงใจต่อกันให้เรามาจริงใจต่อกันพูดจริงทําจริงนะพูดแต่ความจริงพูดแต่คําอ่อนหวานพูดแต่คํำเป็นประโยชน์พูดประกอบด้วยเมตตาพูดในรู้จักกาลเทศะเราทําอย่างนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์จริงๆแต่ถ้าเราพูดไม่ดีแน่นอนที่สุดอ่าเขาเขาจึงบอกว่าพูดดีก็เป็นสีแก่ตัว ถ้าพูดชั่วก็พาตัวอัปราชัยฮมาพูดดีก็เป็นสีแก่ปากพูดมากปากก็มีสีฮะฉะนั้นชนทรพูดจริงไม่บอกไว้ว่าถึงคราพูดพูดดีเป็นสีสัตว์มีคนนักครถฑอยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทําลายมิจะชอบผิดในมนุษย์พระพูดจาเป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยากโขยหิวพระจิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะวสม ฉนั้นเรื่องคำพูดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญคนพูดดีนั้นทำให้คนฟังไม่เบื่อประทับจิตเกิทับใจแม้จะนานสักเท่าไหร่ก็อยากฟัง อ, อยู่ตลอดเวลาไอ้คนพูดไม่ดีพออ้าปากมามันก็เหม็นซะแล้วนะเหม็นซะแล้วไม่อยากฟังพูดขอประทานโทษอย่างที่เขาพูดว่าพูดไม่เข้ารู้หูนะแต่มันไม่ทราบว่ามันไปเข้าอะไร ท, ท, ทั้งๆที่ตัวเองก็ได้ยินได้ฟังแต่เมื่อกลับพูดว่าไม่เข้ารูหูก็ไม่ทราบเหมือนกันก่อฝึกเอาไปเป็นข้อคิดก่อนแล้วกันนะฉะนั้น จ, จึงบอกว่าให้เราทุกคนนั้นมาพูดดีต่อกันที่พระองค์ได้ทรงมัญญะในศีลข้อสี่ขึ้นก็เพื่อจะห้ามาความตัดประโยชน์ทางวาจาเพราะคนทั้งหลายย่อมชอบและก็นับถือความจริงด้วยกันทุกคนเราทุกคนอยากให้คนอื่นพูดความจริงแก่เรา แต่ว่าเรามักจะไม่พูดความจริงกับคนอื่นข้อนี้แหละที่เราผิดพลาดนะที่เราผิดพลาดคนอื่นถ้าเราจะแค้นแค่ขอให้เขาพูดความจริงแต่ถึงตีเราวา่าเรากลับไม่พูดจริงกว่าเขานี่ดังนั้นคนเราทุกคนชอบความจริงชอบให้ผู้อื่นพูดความจริงแต่ตัวเองนั้นไม่ยอมพูดความจริงกับผู้อื่นดะนั้นขอให้เราทุกคนจงพูดแต่ความจริงพูดแต่คําสัตว์ความจริงหรือคําสัตว์นี้ย่อมจะนำชื่อเสียงนำประโยชน์เพื่อกูนมาให้ คนที่พูดคำสัตย์นี้พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่าวาจางามยังประโยชน์ให้สําเร็จเขาจึงบอกว่าคนเราถ้าพูดดีนั้นไอ้เรื่องทรัพย์สินเงินทองที่มากมันก็ลดหายไปอาจจะไม่ต้องเสียเลยก็ได้นะเพราะคําพูดดีของที่มีค่าก็อาจจะกลายเป็นไม่มีราคาไปเลยก็ได้ฉะนั้นเรามาพูดดีต่อ ก, กันพูดให้เป็นประโยชน์พูดประกอบด้วยเมตตาความสุขความเจริญก็จะังเกิดขึ้น แก่สังคมประเทศชาติมาในข้อสุดท้ายสุราเมรยมัชฌะปมาทัฐานาเวรมณีคือเว้นจากการดื่มน้ําเมาคือสุราเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประณามข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญถือว่าเป็นสิ่งสําคัญก็คือว่าอาคนเราทุกคนนั้นแน่นอนที่สุดถ้าหากว่า อยู่ดีๆไม่มีอะไรมาทําให้เราต้องเผลอไลาขาดสติเราก็จะทําให้เราพูดดีทําดีคิดดีแต่ถ้าหากว่าเราไปดื่มสุราเมรัยแน่นอนที่สุดจะทําให้เรานั้นพูดไม่ดีทําไม่ดีคิดก็ไม่ดีคิดผิดไปหมดเพราะสิ่งนี้มันมีของมึนเมาที่ทําให้เราเสพเข้าไปแล้วดื่มเข้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนนิสัยเราเขาจึงเรียกว่าน้ําเปลี่ยนนสยิสัยนะเปลี่ยนนสยิสัยคนที่เป็นคนสุภาพก็กลายเป็นคนแข็งเรือนร่าง คนที่เคยพูดดีกว่ากายเป็นการพูดกระโชกโฉ่ค่ะคนที่แต่งตัวเรียบง้ายกว่ากายเป็นสกระปรกนะคนที่เป็นคนมีความละอายก็ไม่เป็นคนมีความละอายสร้างความให้เกิดความอับอายอดสูญอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติเสีงในข้อที่ห้าอันนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ก็คือให้เราทุกคนนั้นรักษาความเป็นปกติของมนุษย์ขึ้นถ้าหากคนเราผิดปกติแน่นอนที่สุด ไอ้นมนุษย์ยธรรมหรือธรรมที่ทําให้เป็นมนุษย์นั้นก็จะหมดไปเมื่อความเป็นมนุษย์หมดไปแน่นอนที่สุดแล้วก็ทําลายตัวเองทําลายวงศ์ตระกูลจนกระทั่งที่สุดก็คือทําลายสังคมประเทศชาติทําลายสังคมประเทศชาติฉะนั้นบางศาสนาเขาถือมากถึงกับออกกฎหมายว่าผู้ใดมีเหล้าอยู่ในครอบครองหรือดื่มเหล้าถึงกับมีการประหัตประหารเคี่ยนตีจนกระทั่งตายอันนี้ก็มีฉะนั้นอันนี้แหลผู้ที่ เป็นผู้นำของประเทศชาติควรจะพินิจพิจารณาให้มากบางครั้งเราได้ประโยชน์จากภาษีของการขายสิ่งเหล่านี้แต่ว่าโทษที่มันเกิดขึ้นกับคนในประเทศชาตินั้นมากมายเหลือเกินทำให้เราต้องเสียทรัพยากรต้องเสียทรัพย์สมบัติทั้งของหลวงของราชทำให้ต้องเสียชีวิตเต็มจำนวนมากฉะนั้นหากว่าเราเว้นจากน้ำหนาเสียได้เราก็จะตั้งในศูนย์ทรัพย์ ไม่เสียศีลแล้วก็ไม่เสียคนเราก็มีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความเจริญเอาละบางงายเกี่ยวกับเรื่องศีลห้าประการมาก็คิดว่าพอเป็นวันนี้จะได้พูดในหมวดของขีหิปฏิบัติคือข้อปฏิบัติสำหรับครุษขัดผู้อยู่ครองเรือนในหัวข้อว่ามิจฉาวิมิจช า, ชาคือการค้าขาย บางสิ่งบางอย่างโดยไม่ชอบทำห้าประการคือหนึ่งค้าขายเครื่องประหารสองค้าขายมนุษย์สค้าขายสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารสค้าขายน้ำเมาหค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามสำหรับอุบาสกอุบาสิกาไม่ควรแตกรอบ เหตุไฉนอุบาสกจึงต้องเว้นพวกมิจฉาวนิชชาคือการค้าขายในทางมิจฉาชีพอย่างนี้เพราะเหตุว่ามิจฉาวนิชชาโดยเขาเงื่อนเป็นไปเพื่อเบียดเบียนชีวิตและความสุขของผู้อื่นและสัตว์อื่นๆบ้างเป็นไปเพื่อความเหี้ยมโหดและอำนวยความวสะดวมให้กับมนุษย์และสัตว์คนสามัญหากินไม่ผิดกฎหมายแล้วจัดเป็นใช้ได้ ฝ่ายอุบาสิกาเป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัดกว่าคนสามัญต้องหากินโดยไม่ผิดหลักทำนองคลองธรรมถ้าอุบาสิกาประกอบการค้าขายในทางที่ไม่ถูกไม่ควรที่ได้กล่าวมานี้เป็นการน่าเกลียดน่าติชินน่านินทาและจะไม่เป็นที่เคารพรักนับถือของคนทั่วไปทีนี้เมื่อพูดว่าข้อที่หนึ่ง ค้าขายเครื่องประหารอะไรคือเครื่องประหารเครื่องประหารในที่นี้เปะสงเอาเครื่องประหารทุกชนิดอันเป็นเครื่องล้างผลานชีวิตและร่างกายมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นว่ามีดตูนหอกดาเลาแหนธนูแหอวนลอบหรือจะเป็นพวกซิวควานมีดจอบเสียมอะไรก็แล้วแต่ที่มาใช้ในการประหารทหารก็ไม่ถูก แต่ว่าถ้าใช้มาทำมาหากินอันนั้นก็อยกเว้นนะอันนั้นก็ยกเว้นทีนี้ขอให้ท่านลงมนุษดูมนุษย์เราสร้างเครื่องประหัตประหารขึ้นมาสร้างเครื่องประหัตประหารขึ้นมาสร้างปืนสร้างขอกสร้างดาบสร้างพวกอปรมานูสร้างจรวญเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างสร้างขึ้นมาเพื่อบอกว่าป้องกันประเทศชาติเพื่อความสงบ แต่ที่สร้างขึ้นมามาเพื่อทำลายล้างผลาญซึ่งกันและกันสรุปแล้วก็คือว่ามนุษย์สร้างเครื่องประหัตประหารขึ้นมาฆ่ามนุษย์กันเองนี่อันนี้มันน่าคิดมากมนุษย์สร้างเครื่องประหัตประหารขึ้นมาเพื่อฆ่ามนุษย์กันเองแล้วจะหาความสุขที่ไหนความสุขที่แท้จริงนั้นจะต้องอ่เว้นจากเครื่องประหัดประหารนะจะต้องเป็นไปโดยธรรมนะจะต้องเป็นไปโดยธรรม คือจะต้องไม่มีการเบียดเบียนกันสมัยหนึ่งสมัยสมัยคารทีนะสมัยมหาตรมคานทีเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษท่านในสู้กับกองทัพอังกฤษด้วยแบบอหิงสาธรรมก็คือว่าไม่ใช้อาวุธนะี่แม้ว่าทหารอังกฤษนั้นจะยิงทหารของอินเดียล้มตายไปเป็นจำนวนเป็นแสนเป็นล้านแต่ก็ไม่ย่อท้อถอย เพื่อเป็นการประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าปลายตนนั้นเป็นอาหิงสาธรรมคือหมายถึงว่าเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครทั้งสิ้นปราถนาความสงบสุขกว่าปราถนาสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกผู้ที่ยังใช้อาวุธนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นและให้เกิดขึ้นกับสังคมให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติจนกระทั่งที่สุดก็คือว่าให้เกิดขึ้นกับชาวโลกแล้วเราจะหาความสุขได้ที่ไหนข้อนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะคิดพินิษพิจารณาเป็นอย่างยิ่งนะเป็นอย่างยิ่งว่าเราสร้างอาวุธขึ้นมาแม้จะทําสมัยอย่างไรเราก็เอามาฆ่ากันเองเมื่อเรามาฆ่ากันเองแล้วมันจะมีความสุขอย่างไรนะมีความสุขอย่างไร เราเราจะมีความสุขเราจะต้องไม่มีอาวุธเช่นกันด้วยกันนะไม่มีอาวุธเช่นกันด้วกันฉะนั้นพระพุทธองค์จึงต้องสละราชสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างออกผนวดก็เพื่อต้องการสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกพระองค์ไม่มีอาวุธใดๆทั้งสิน้นถ้าถ้าหากว่าจะว่าพระองค์มีอาวุธก็มีอยู่อาวุธคือปัญญาเรียกว่าปัญญาวุธหรือว่าธรรมอาวุธนี่คืออาวุธขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า อาวุธเช่นนี้เอาไว้เพื่อประหัตประหารกิเลสตัณหาเอาไว้เพื่อประหัตประหารความโลภความโกรธความหลงถือว่าเป็นฆ่าศึกถือว่าเป็นสัตว์ระฉะนั้นพวกเราในฐานะเป็นประชาชนแน่นอนที่สุดถ้าเราเว้นสิ่งเหล่านี้ได้ก็เท่ากับเหมือนกับว่าเราไม่ไม่ได้สนับสนุนให้คนต้องมาประหัตประหารกัน แล้วยิ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าใกล้พระัรนาไตรยต้องเลีกเว้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นบุคคลผู้เลิศประเสริฐกว่าคนสามัญถ้าเราไปทำเข้าก็จะมีการติขินนินทาเป็นที่ดูหมิ่นดูแคลนและจะเสื่อมเสียถึงตัวเองวงตระกูลจนกระทั่งถึงศาสนาอีกด้วยในปรการที่สองที่บอกว่าค้าขายมนุษย์เนี่ย การค้าขายมนุษย์นี้สมัยก่อนนิยมกันมากเรียกว่าค้าขายทาตนะค้าขายทาตเดี๋ยวนี้ก็ยังมีในบางประเทศแต่ก็เบาบางลงไปนะมีการค้าขายมนุษย์กันการค้าขายมนุษย์นี้ถ้าจะาวิาพากวิจารณ์แล้วก็กินความกว้างพอสมควรนะค้าขายกันเป็นในทํานองเอาไปเป็นคนใช้เป็นบ่าวเป็นไพร่อย่างหนึ่งคนะ้าขายเพื่อ หาผลประโยชน์บนตัวของมนุษย์นั้นอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกกันว่าเหมือนกับพวกโสเภณีอะไรยในทํานองนี้นี่เราถือว่าค้าขายพวกนี้การค้าขายมนุษย์อย่างนี้ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมเป็นบาปเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนบางคนถึงก็ขายข้ามประเทศแม้อันนี้ยิ่งเดือดร้อนใหญ่เพราะเป็นการพรากพากโลกพาพ่อพราแม่นะเอาไปทางานบางทีก็ใช้เยี่ยงธาต กินก็ไม่ดีที่รับที่นอนก็ไม่ดีแต่ว่าต้องทํางานหนักมากมานึกนึกดูแล้วก็น่าสงสารทั้งๆที่เขาเกิดมาก็มีอาการเหมือนกับคนทั่วๆไปมีร่างกายมีจิตใจมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีมันสมองมีมือมีเท้าแต่ว่าเขาผู้นั้นเกิดมายากจนหรือเกิดมาในภูมิภาคที่มันแห้งแล้งไม่เหมาะแก่การที่จะทํามาหากินทําให้เขาต้องเกิดความขัดสน แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาก็พลอยต้องขัดสนไปด้วยทำให้เขาก็กลายเป็นคนฉลาดน้อยคือเป็นคนโง่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาโดยท่องแท้จริงๆแล้วเขาอาจจะมีปัญญาดีกว่าเราก็ได้แต่เขาไม่มีโอกาสได้เล่าเรียนศึกษาก็กลายเป็นคนไม่รู้ดีรู้ชั่วเท่าที่ควรจึงไม่ถูกเป็นสินค้าเอาไปเป็นแรงงานของคนฉลาดคนฉลาดที่ ที่ไม่ฉลาดก็คือเป็นบุคคลที่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นโดยการกดขี่ผู้อื่นใช้คนอื่นเหมือนอย่างเยี่ยงทาสอันนี้มันก็มีเวทมีกรรมอีกเหมือนกันฉะนั้นขอให้เราหลีกงดเว้นสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะเป็นบุญเป็นสิ่งอันประเสริฐนะเป็นสิ่งอันประเสริฐและก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะไปกระทาเพราะการค้าขายมนุษย์นี้บางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นการเหยียดย่าน้าใจ ของพ่อแม่เป็นอย่างยิ่งบางครั้งก็ต้องมาถูกตีถูกด่าถูกว่าต่อหน้าพ่อหน้าแม่บางครั้งก็ก็ยังพ่อแม่ก็ยังถูกต่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเห็นแก่เงินอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันเป็นการหมินน้ำใจเป็นการสร้างรอยร้าวให้เกิดขึ้นในจิตใจบางครั้งพ่อแม่ถึงกับทิ้นไม่ได้นอนไม่หลับเมื่อลูกต้องทักจากอกไปบางครั้งก็ถึงกับปลอมใจ บางครั้งพ่อแม่ถึงกับต้องตายไปก็มีและโลกบางคนก็เสียใจถึงกับต้องกินยาตายฆ่าตัวตายหรือไปแล้วก็กระโดดหนีแข่งขาหักหรือก็ฆ่าตัวตายถูกเขาซ้อมถูกเขาทรมานสารพัดซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าละอายแก่ใจนะน่าละอายแก่ใจไม่น่ามีสำหรับคนที่มีการศึกษาไม่น่ามีสำหรับคนที่ในชีวิตเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง จริงๆแล้วเราควรจะอาศัยแรงงานของกันและกันในทางที่ถูกที่ควรในทางที่ชอบมันจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นเป็นอย่างมากแต่การที่เรามาค้าขายกันอย่างนี้เท่ากับว่าเราทําในทางที่ทุจริตนะทําในทางที่ทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราควรจะเลิกละนะควรจะเลิกละเพราะเป็นการค้าขายที่ไม่ชอบทำเพราะว่ า, าการค้าขายมนุษย์นั้นเราจะเห็นว่า บางครั้งเราจะตกลงกันก็จริงอยู่แต่ถึงแม้จะตกลงกันนั้นมันเป็นเรื่องภาวะจำยอมนะภาวะจำยอมจริงๆแล้วก็ทุกคนไม่อยากจะขายนะมันเป็นเรื่องจำยอมแต่บางคนก็ลักไปขายบางคนก็หลอกล่อลวงไปขายอย่างนี้เป็นการเหยียบย่ำน้ำใจอย่างนี้เป็นการกระทาที่ไม่ชอบทำมีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อน หาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นหาความยิ้มแย้มสดใสบนคราบน้ําตาที่ไหลาอาบแก้มของบุคคลอื่นบุคคลเหล่านั้นเมื่อเขาออกจากบ้านไปเขาคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกคิดถึงเมียคิดถึงสามีเขาจะต้องนอนร้องไห้เขาจะต้องนอนตรอมใจบางครั้งเขาทํางานหนักมาก เขาเคยได้กินเขาก็ไม่ได้กินเขาเคยพักผ่อนก็ไม่เคยได้พักผ่อนเขาเคยนอนในอกแม่เคยนอนในอกสามีเคยนอนในอกภรยาเขาก็ต้องไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้รับความอบอุ่นเขาก็มีความทุกข์เขาก็มีความเดือดร้อนเป็นภาพที่น่ารันทดใจเป็นภาพที่นาที่น่าละอายและน่าเศร้าใจอย่างยิ่งฉะนั้นขอให้เราทุกคนตระหนักในข้อนี้ให้มากอย่าคิดหากินบนความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นเลย เพราะจะเป็นเวรเป็นกรรมเปล่าๆแรงการที่สามการค้าขายสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ตัวเองฆ่าเพื่อนํามาเป็นอาหารอันนี้ก็หมายความว่าเช่นอย่างคนาค้าขายพวกเนื้อคอเนื้อกระบือูง่ายๆเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ะ สิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเรามองพลเพลิ น, พนแล้วมันก็เหมือนว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นนะมองว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นแต่โดยลึกซึ้งแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าติฉินเนนทา่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาต้องหลีกเว้นให้ไกลเกี่ยวกับเรื่องการขายเนื้อหมูเนื้อคอหรือพวกเนื้อปลาทุกสิ่งทุกอย่างอเพราะว่าอุบาสกอุบาสิกาไม่เหมาะกับอาชีพเหล่านี้นะถึงแม้ว่าจะทํา เงินให้งอกงามก็จริงแต่ว่าไม่เหมาะนะเพราะว่าการค้าขายสัตว์หรือเนื้อสัตว์อย่างนี้นอกจากว่าเราจะต้องค่านะเราจะต้องค่าไอการค่าก็นี่แหมรู้สึกว่ามันมันมีเวรมีกรรมมากนะมีเวรมีกรรมมากที่พระพุทธองค์ได้มนุญญัย์สีนในข้อแรกปานาติบาตก็เพื่อให้เราเว้นจากการเบียดเบียนกันเว้นจากการเข็นค่าประหัดประหารกัน เพื่อให้เรามีเมตตาจิตต่อกันแต่ว่าเรากลับมาเหี้ยมโหดด้วยการฆ่าเอาเนื้อเอาเขาเอากระดูกเอามาทำเป็นอาหารเอามาทำเป็นเครื่องปรลดับหรือเอาไปทำเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้เท่ากับว่าเรานั้นมีสันดานที่หยาบคายแข็งกร้างมีจิตใจโหดเที้ยมใจดำอมหิตมากไม่เกรงกลัวต่อเวรต่อบาปต่อกรรมต่ออาญาทุกสิ่งทุกอย่าง ฉะนั้นอันนี้ทางรัฐบาลก็จึงได้มีการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้น เ, เพื่อไม่ให้เรานั้นทาลายล้างผลาญซึ่งกันเลยกันขอให้ท่านผู้ฟังนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุรชนทั้งหลายลองพินิษ์พิจารณาดูว่าการที่เราไปฆ่าเขาการที่เราจะเอาเนื้อเขามาเอาเขาเขามากระดูกเขามาเนี่ยเราต้องฆ่า ยิ่งอยู่บางคนอาจจะบอกว่าเราไม่ค่าเราไปรับช่วงต่อมามันก็เป็นเหตุจูงใจเป็นเครื่องสนับสนุนทําให้เขาต้องค่าถ้าเราไม่ไปรับมาเขาก็ไม่รู้จะขายให้ใครเขาก็เลยไม่ค่าแต่เมื่อมีลูกค้ามากเขาก็ต้องค่าเขาก็ต้องค่ามันก็เลยเป็นเวนเป็นกรรมต่อเนื่องกันไปต่างแต่ว่าจะมากจะน้อยอยู่ที่เหตุนั่นเองอ่ามีคนอยู่ที่ จังหวัดสุพรรณบุรีมีอาชีพค้าขายหมูฆ่าหมูขายอยู่เป็นประจำปรากฏว่าแกอายุได้สักห้าสิบปีก็มีอาการวิตปริดอันนี้เนื่องมาจากผลแห่งการที่ฆ่าหมูนั่นเองคือเรากล้าลงความเห็นได้เลยว่าผลอันนี้เนื่องมาจากการฆ่าหมูนอกจากฆ่าหมูแล้วคงจะไม่มีอะไรเพราะมันเหตุการณ์มันบอกอันเดียวกันคือการฆ่าหมูนี้คนที่ไม่เคยรู้ก็ คงจะไม่รู้ถึงวิธีการเขาทําอย่างไรอันนี้ตัวาตมาเองเมื่อเป็ น, นเด็กๆวัยรุ่นก็ยังเคยไปร่วมสังกกรรมเขาบ้างเหมือนกันก็คงจะมีเว้นมีกรรมแหละแต่ว่าไม่ไม่ได้ลงมือฆ่านะไม่ได้ลงมือฆ่าเป็นแต่เพียงว่าคอยถือดวงไฟดวงตะเกียงให้เขานะให้เขาทําได้สะดวกว่างั้นเถอะนะแต่มันก็ต้องมีเว้นมีกรรมและนะต้องมีเนี่ยยังเอาฆ่าหมูนี่เขาก็ล้างหมูให้สะอาด พอล้างให้สะอาดแล้วเขาก็ยกขึ้นมาบนบนเตียงหรือเขาบนบนม้านั่งตัวยาวๆใหญ่ๆว่างั้นจะแล้วเขาก็เอามีดประมาณสักศอกนะก็แทงไปตรงใต้ใต้คอตรงกตรงคางอ่ะยกจับปาขึ้นมายกให้แง่หน้าก็แทงหไปลวดนี่จะไหลออกหลักๆโอ้ยดูแล้วหน้าหวาดเสียวแต่ตอนนั้นดูมันไม่เสียวเป็นเด็กฮะดูแล้วไม่เสียว ก็ปรากฏว่าพอเลือดออกไปนี่หมูนี่ไม่มีดิ้นเลยไม่ต้องจับมัดเลยสักนิดนึงนะเขาข่าหมูนี่เขาไม่ได้จับมัดเลยนะขึ้นมาหมอบไว้เฉยๆพอแทงเลือดออกแล้วก็เอากาสอบคลุมตัวคลุมตัวแล้วก็ตักน้าร้อนรดเพื่อให้กระสอบนอมน้ํามันจะได้เอทําให้ขนหนังเนี่ยเปื่อยแล้วก็เอามีดขูดจะได้ออกได้ง่ายนะเอามีดขูดออกได้ง่ายนี่อันนี้แหละ ไอหมูมันก็แสบประร้อนนะทุกน้ำร้อนเขามันก็แสบปะร้อนไอมันแทงแล้วมันก็หนักพอควรเลยก็ยังมาอาน้ำร้อนรดทั่วตัวอีกก็ปรากฏว่าคนที่ขายหมูคนนี้แกร้อนกายร้อนใจมะนะแกบอกว่ามันทุกเนื้อทางตัวเนี่ยมันร้อนไปหมดเลยอยากอาบน้ำอยู่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเอาน้ำแข็งก็แล้วอยู่ในห้องแอร์ก็แล้วมันไม่หายเย็นแกโคจะหนีลงแม่น้ำอยู่ตลอดเวลานี่จนโลกโลกเอ่า ภรรยาก็จงทตั้งเวรกันดูติดกุญแจกันมั่งปิดท่องติดลั่นดานกันเพื่อไม่ให้คนคนนี้ต้องหลบหนีออกไปได้แต่วันหนึ่งก็ไม่ทราบโดยเหตุอันใดแรงกรรมมันคนมากทำให้แกต้องหนีออกจากบ้านลงไปแช่อยู่ในแม่น้ำผนที่จุดก็จมน้ำตายนี่เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับนักเรียนนักศึกษาแลนะท่านผู้ฟังได้เป็นอย่างดีว่าการที่เราค้าขายสัตว์หรือฆ่าสัตว์เอาเนื้อมาค้าขายนั้น มันก็มีเวรมีกรรมเพราะเราฆ่าชีวิตเขาทรมานเขาเขาต้องเดือดเนื้อร้อนใจละกรรมลำบากในสมัยพุทธกาลก็มีนะมีเหมือนกันในคนหนึ่งเวลาจะฆ่าหมูนี่ก็ต้องเอาไม้ใส่ไปในปากเอาน้ำร้อนกรอกเข้าไปโอ้ลองคิดดูสิว่ามันเดือดร้อนมากขนาดไหนงานะเดือดร้อนมากนะแกขายมีอาชีพขายหมูนะไอ เนื han, take, ako, ้อที่เหลือจะขายก็เอามากินเลี้ยงครอบครัวลูกเมียก็ปรากฏถึงเวลาแกตไว้จะตายแกก็ทุรนทุรายคลานเหมือนหมูร้องเหมือนหมูนี่คลานเหมือนหมูแล้วก็ร้องเหมือนหมูอีกด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นผลกรรมที่ตัวเองนั้นได้ฆ่าหมูนั่นเองอันนี้เป็นพระดํารัสที่พระพุทธเจ้าองค์ได้กรัสว่าที่ได้เป็นอย่างนั้นที่ต้องคลานเหมือนหมูร้องเหมือนหมูนั้นก็เพราะบุปกรรมที่ได้เคยฆ่าหมูนั่นเอง แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกคงจะไม่ต้องบอกว่าเหตุเกิดขึ้นที่ไหนคือมีครอบครัวหนึ่งมีอาชีพที่อคอยแทงคอยจับปลาไหลเอาไปขายนะปลาไหลคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะรู้จักตัวมันยาวๆนะหัวทูดถู่ตัวมันยาวๆก็ปรากฏว่าแกทำอย่างนี้มาเป็นอาชีพตั้งแต่แกอยู่กันยังไม่มีสามีภรรยา เมื่อแกปเปลี่ยนเป็นสามีภรรยาแกก็ยึดอาชีพนี้อีกนั่นแหละปรากฏว่าแกมีลูกสาวออกมาหน้าปลาก็เหมือนกับปลาไหลใครเห็นแล้วก็บอกแหมคนนี้มันเหมือนปลาไหลอ่ลูกสาวสองคนก็เหมือนปลาไหลหมดอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยากแต่งกับคนหน้าปลาไหลนี่อันนี้ไอ้กุญแจกรรมหรือเวรกรรมที่เราได้สะสมมามันทีละนิดเท่าหน่อยมันมากเข้ามาเข้ามันก็เป็นไปได้มันเป็นไปได้นี่มันเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมซึ่ง ถ้าจะยกตัวอย่างก็แล้วมันมีมากนะมีมากมายเหลือเกินฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าการที่เรามาค้าขายพวกสัตว์หรือ<ม>เนื้อสัตว์ที่ต้นได้โดยพวกเป็นอาหารนี่มันมีเวรมีกรรมมาที่เขาบอกว่าบางคนก็ขายไก่ฆ่าไก่วั น, ว, นวันหนึ่งนี่เป็นร้อยเป็นพันปรากฏว่าพอถึงข่าวจะตายร้องดินซันแกกแหมุนกับไก่ที่ถูกเชือดคอนะร้องเจ็บคอบ้างปวดคอบ้าง บางทีให้เขาเอามีดมาฟันคอทีมันปวดมันเมื่อยเนี่ยนะอยู่ดีๆจะใครจะร้องให้คนเอามีดมาเชือดคออันนี้มันเพราะเวรกรรมต่างหากที่เราเคยไปเชือดคอไก่เชือดคอเป็ดอะไรขึ้นมามันก็เลยบุปรกรรมอันนี้มันก็เลยมาสนองกับตัวเองก็ทําให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเมื่อเวลาใกล้จะตายก็มีการทุรนทุรายท่ำเพล่เอาอาการของหมูของวัวของควายของเป็ดของไก่นั้นมาแสดงอาการ ที่ตนเองมีสองเท้าก็กลายเป็นสี่เท้าคลานเหมือนอย่างสัตว์เดินเหมือนอย่างสัตว์นี่เป็นบุปภัณฑ์ฉะนั้นเราเป็นอุบาสกมาริกาควรเว้นมิจฉาวณิ ช, ชาคือการค้าขายในสิ่งที่ผิดไม่ชอบด้วยธรรมอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญปต่การที่สี่ก็คือการค้าขายน้ำเมาการค้าขายน้ำเมาเรื่องน้ำเมาเนี่วันนี้ก็ พูดหลายเรื่องนะพูดอยู่หลายเรื่องแล้วก็พูดบ่อ ย, อยน้ําเมาในที่นี้ก็คือว่าสุราเมไรันะอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราดื่มเรากินไปแล้วที่ทําให้เกิดบนเมาทําให้เกิดผิดพลาดประมาทขาดสติสิ่งนี้ถือว่าเป็นน้ําเมานะเป็นน้ําเมาฉะนั้นรวมทั้งตินกัญช า, าทุกสิ่งทุกอย่างหรือเป็นพวก ทินเนอร์สมัยใหม่นี้จะมีพวกทินเนอร์อะไรนี่สูรเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดการมึนเมาทำให้เยื่อในสมองอักเสบลบล้างระบบประสาททำให้เป็นคนปัญญาอ่อนและไปทำลายปอดสุขภาพตามหลักในทางแพทย์ ath, ถือว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากฉะนั้นน้ำเมานี่เหมือนกันคนที่ติดน้ำเมาหรือพวกสุราเมรยัยซึ่งทุกวันนี้รู้สึกว่าแย่งกันสร้างโรงงานกันมากนะเป็นดอกเห็ดเลย อันนี้เราแก้กันไม่หวัดไม่ไหวไม่รู้จะโทษใครนะไม่รู้จะโทษใครต่างคนต่างก็โทษกันอมัวต่โทษกันผลที่สุดก็คือว่าคนไทยก็กลายเป็นคนขี้เหล้าเมายาเหมือนกันหมดนะพ่อก็อเมาแม่ก็เมาลูกก็เมาอเมื่อพ่อแม่เมาลูกเมาแล้วต่อไปก็ใครจะเมาเกิดมามีคระเมาอีกก็ยุ่งเลยเท่านี้นะยุ่งแนะ่ฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายลองพิษพิจารณาดูว่า การดื่มน้ำเมานั้นเป็นอบายามุกที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ว่ามีโทษมะนะมีโทษมะเมื่อวานนี้ได้คุยกับโยมคนหนึ่งก็บอกว่าเขามีเงินเดือนที่สามีต้องรับก็ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทมีลูกแค่สามสี่คนไม่พอใช้ที่ไม่พอใช้ก็เพราะว่าหมดเดือนหนึ่งรับเงินจริงๆนั้นเหลือพันบาทหรือพันกว่าบาทเพราะว่าสามีเอาไปกินเหล้าเสียหมด นะเอาไปกินเหล้าเสียหมดนี่แถมเมื่อนอกจากกินเหล้าหมดแล้วตัวเองก็ยังประพฤติยัง่งเปอไม่ดีเป็นที่เสื่อมเสียแก่คนทั่วไปเพราะพระพุทธองค์ท่านก็เลยตัดไว้แล้วว่าการดื่มน้มําเมาประการแนกก็คือว่าหนึ่งทําให้เสียทซัเนี่เราไม่มีทรัพยบเราก็ดื่มไม่ได้นี่เราต้องเอาซับไปซื้ออแล้วกินเหล้าเนี่ยมันก็แกล้คนเดียวกินไม่ได้กินไม่อร่อยต้องกินในหลายคน ไอ้กินในหลายคนถ้ากินผู้ชายกันเดียวมันก็ไม่อร่อยมันจะต้องมีผู้หญิงเข้ามาช่วยคอยเสิร์ฟช่วยเป็นกราบแกล้มให้อีกแหมมันก็เพิ่มไอ้ความหายนะมากยิ่งขึ้นนะทำให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละถือว่าเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นพิษเป็นภยัออ ย, ย, นะนนภยอย่างร้ายกัดนะเป็นพิษเป็นภัยอย่างร้ายกัดจประการต่อมาพระพุทธงค์ได้บอกว่านอกจากเสียทรัพย์แล้วก็ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาท สังเกตดูสิคนเดิมน้ำเมาเนี่ยมักจะมีการทะเละวิวาทกันนะบอกแล้วว่าเป็นคนสุภาพก็ไม่เป็นคนสุภาพเป็นคนอ่อนโยนก็กลายเป็นคนแข็งกระด้างน ะ, ะเป็นคนอแต่งตัวเรียบร้อยก็ไม่เรียบร้อยฮน ะ, ะเป็นคนขี้อายก็ไม่ละอายเพราะอคำว่าสุราเนี่ยมันแปลว่ากล้าทําให้กล้าทําความชั่วให้กล้าพูดชั่วกล้าทําชั่วกล้าคิดชั่วนี่ แต่เมื่อทําไปแล้วจึงมาน้ําตาตกคิดได้ทีหลังฟางเมาแล้วจึงคิดขึ้นได้ถู ก, กุญแจมือใสไวส้ซะแล้วอยู่ในกรงซะแล้วนี่แล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกคือสังเกตดูคนเราเนี่ยถ้าเรามาคิดกันโดยรอบครอบตัวหน่อยว่าถ้าเราเอาเงินห้าสิบาทเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่โของขวดหนึ่งก็ห้าสิบบาทหรือหกสิบบาทถ้าเราเอามาซื้อหมูสักกิโลก็กินได้ทั้งครอบครัว แต่มาซื้อเล่าขวดนี่มันก็กินได้คนเดียวหรือไปกินกับเพื่อนกับฝูงกินนอกบ้านโลกเมียไม่ได้รู้เรื่องด้วยไม่มีความสุขด้วยเพื่ได้กินนั้นก็เอาไปบำรงบำรสเพื่อนฝูงกันเองแล้วก็กลับก็คำคำเบิกเบิกดือดดือดดินเดินกลับมาก็เหม็นอหึ่งหังไปหมดเนื้อตัวสกปรกมอมแมมอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่น่าอภิยศอัศว์มากถึงกับมีเรื่องเล่าว่าครอบครัวหนึ่ง พ่อติดเหล้าอยู่เป็นประจำกินเหล้าก็กลับมาโน่นบางทีเที่ยงคืนดึกเบิกดุนๆก็แหมรู้สึกก็มาก็เอะอะโวยวายเนื้อตัวเปียกปอนสกปรกวันหนึ่งลูกกับแม่ก็เลปรึกษากันว่าวันนี้จะไม่เปิดประตูรับพ่อละพ่อเมามาก็ให้นอนอยู่ที่หน้าบ้านอให้นอนที่หน้าบ้านนั่นแหละก็ปรากฏว่าพ่อกลับมาก็ประมาณสักเที่ยงคืนได้มาเรียกก็ทั้งนี้ก็ไม่ขันคะับทำเป็นเฉยซะ เรียกนกะเขาเราเข้าไม่เปิดแกก็เลยนอนที่หน้าประตูบ้านไอ้หน้าประตูบ้านนะ่ะมันเป็นที่นอนของหมาของสุนนะัขพอนอนไปนะเข้าเดึกๆนักเข้าน้ําค้างตกน้ําค้างลงเขาก็เลยเกิดอาเจียนออกมาอาเจียนออกมาหมามันได้เปลียนเข้าก็กินทั้งหมดเลยมันกินหมดแล้วมันได้เปลียนที่ปากมันก็ไปเลียปากเข้าไปอีกไอ้คนเมาก็เลยนะก็พอหมามันมาเลียที่ปากเข้าก้นแล้วก็เอ๊ะไอ้ใครมันเอาผ้ามาเช็ดปากของกูเนี่ย ก็เลยเอาโมืไปกอดขอสุนัรบอกแม่น้องนี่ดีจริงๆนะเช็ดปากพี่เสร็จก็ยั่งเลยฮนี่ดูสิไอคนเราเนี่ยเวลาเมาก็เลยมันก็เห็นหมาเป็นเมียไปได้นี่นะมันเป็นไปได้นี่ฉะนั้นคนเราจึงบอกว่าไอเหล้านี่แหละมันมีโทษมากไอน้ําเปลีอนนิสัย น, น้ําแป่นิสัยน้ําหายยนต์นี่แหละโดยจังที่ท่านอาจารย์ถยอมท่านว่าเดี๋ยวเรา ขอท่านจงเจริญขอท่านจงเจริญนี่ยมันกลายเป็นผิดไปแล้วอ่าที่บอกคนกินจงคิบหายคนขายจงเจริญอะไรอย่างเนี้ยอ่ามันถูกต้องนะอแน่นอนที่สุดฉะนั้นขอให้เราลองพิจารณาดูว่าที่พระพุทธองค์ได้ตรตัจริงไหมว่าเหล่านั้นทําให้เกิดการเสียทรัพย์ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาททาให้เกิดการอพยศอดโซ่อ่อทําให้ไม่รู้จักละอายแล้วก็เป็นรังแห่งโรคแล้วก็เป็นบอก าการบัณนทอนกำลังสติปัญญานะเป็นกำลังบัณฑทอนกาลังสติปัญญ า, ามีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจมีแต่ความทะเลาะวิวาทความสุขในขขครอบครัวก็จะไม่เกิดขึ้นบ้านใครมีลูกหญิงลูกชายลูกสาวก็จะอับอายที่พ่อแม่มาเป็นคนขี้เล่าเมาย า, าดูแล้วมันก็ไม่นัดไม่งามไม่ภาคภูมิใจฉะนั้นถ้าเรามาคิดอย่างนี้ได้โลกละสิ่งเหล่านี้ การค้าขายน้ำเมาถึงแม้ว่าเราจะไม่กินเองแต่เราก็เอาไปมอมเมาผู้อื่นนะเอาไปมอมเมาผู้อื่นมันก็มีโุษมีโทษทางนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเราขายเครื่องควอมช่วยให้กับคนอื่ น, นมันก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองฉะนั้นเราควรเลิกละเสียได้ก็จะเป็นดีเป็นบุญเป็นกุศลและใครก็ไม่ติดฉินนินทาเราอีกด้วยประการสุดท้ายคือข้อที่ห้าคือการค้าขายยาพิษนะในการค้าขายยาพิษนี่ ไอยาพิษบางอย่างมันก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์ในการเชื่อมบัตรีหรือในตัวยาบางอย่างก็อาจจะมีพวกสารหนูหรืยาพิษไปบ้างนะแต่ว่าในสิ่งต่างๆที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้รู้สึกว่ามันมีมีโทษมากนะเขาเรียกว่ามีโทษ อ, อันนันก็มีมีคุณอันนันก็มีโทษมหาหันอย่างเช่นพวกยาปราบศัตรูพืชหรือปราบวัชช ะ, ะปราบวัชพืชต่างๆหรือพวกแมลงต่างๆเตี้ยต่างๆ ที่เราเอามาใช้กันนี้ก็ปรากฏว่าปีปีหนึ่งเราจะเห็นว่ามีคนตายเพราะสิ่งเหล่านี้บ้างตายเพราะความรู้ไม่ถึงการในเรื่องวิธีใช้อย่างหนึ่งตายเพราะความประมาท อ, อย่างหนึ่งตายเพราะคิดค่าตัวตายด้วยยาเหล่านี้อันนี้เราจะเห็นมีมากนี่แหละเพื่อเราสร้างมาเพื่อต้องการที่จะปราบตัวแมลงตัวพืชแต่มันก็กลับเอาปราบคนที่ใช้ก่อนเพราะคนที่ใช้นั้นถ้าไม่ประมาท ถ้าประมาดรู้เท่าไม่ถึงการเป็นแผลยานี้ก็ซึมเข้าตาแผลได้หรื อ, อไปฉีดทวนลมยานี้ก็จะเข้าทางจมูกเราสูดเข้าไปได้เข้าตาก็ตามบอดได้และบางครั้งลูกก็โกรธพ่อโกรธแม่ดุด่าว่ากล่าวก็เอายาที่มันมีอยู่ตามทุกบ้านทุกช่องนี้เอาเข้ามาเดินเข้าไปทัื่อฆ่าตัวตายอันนี้ก็มีเยอะนอะมีเยอะ ด้านการที่เราค้าขายยาพิษนอกจากมันจะทําลายผู้ค้าขายเป็นฆาตกรขนส่งที่เราจะต้องสูดเข้าทางอากาศอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วก็ยังเป็นการยื่นเอายาพิษอันนี้ไปให้กับคนที่มาซื้อมาใช้เป็นจํานวนมากมายก่ายกองกลายมาเป็น เ, เรานี้ยื่นยาพิษไปฆ่าประชาชนส่วนใหญ่โดยไม่รู้อีโนอิเนเน อ, อันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่น่าพินิษพิษจารณามากฉะนั้นถ้าหากว่า เราได้เหล็กเว้นอย่างนี้ได้ก็จะได้ชื่อว่าเรานั้นดําเนินทางในทางที่เรียกสัมมาวณิชฌาก็คือค้าขายในทางที่ถูกที่ควรเพราะสิ่งที่ได้กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเอาละการบรรยายเรื่องนิชฌาวณิชฌาคือการค้าขายโดยไม่ชอบธรรมทั้งห้าข้อคือการค้าขายจึงอาหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเสัตว์ที่ตัวเองฆ่าพวกเป็นอาหารค้าขายน้ําเมาค้าขายยาทิษมาก็พอสมควร